สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันในเรื่องข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ตามเดิมวันที่แล้วมาจบลงว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั่นดาวดึงสติวโลกต่างประชุมกันสันเสริญความดีข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ และก็เรียกพระเจ้าเมรเนมิราชว่าพระอาจารย์เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหมดลูกหลานที่รักคนที่จะเป็นเทวดาได้เนะ่ยเขาต้องส่งความดีเขาไม่ที่ไป น, นั่งอิจฉาสยาชาวบ้านไม่ได้ไปนินทาชาวบ้านไม่ลุกรานชาวบ้านไม่ทำชาวบ้านให้เดือดร้อน ก็เพราะอะไรทั่าว่าเทวดาทุกคนคนทุกคนก่อนที่จะไปเป็นเทวดาก็ต้องทําใจของตนให้เป็นเทวดาเสียก่อนเและก่อนว่าการตายที่จะเป็นเทวดานั้นไม่เอาร่างกายไปคนที่จะเป็นเทวดาได้หนึ่งต้องมีจิตดีเรียกว่าฮีริลาโอตปะ อายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วว่าจะทำตัวให้เดือดร้อนเช่นการข่มเหงชาวบ้านทำร้ายร่างกายเขาด้วยใจร้ายก็ดีการลักการขโมยการคดกันโกงทำบ้านเมืองให้ิีพายใบยป่วงก็ดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่บคุคคลทั้งหลายด้วยการ ที่ตนเองมีตัวจิตทุจริตทเยอทยานก็ดีเยือยแย่งความรักของบุคคลอื่นก็ดีบากเสียคือพูดเท็จพูดคำหยาบยุยงแต่แขงแสให้ชาว บ, บ้านเขาแตกล้าวกันยุ่ทางโน้นให้แตกกับทางนี้ยุ่ทางนี้ให้แตกกับคนโน้อนอย่างนี้ก็ดี ไม่ใช่วาจาที่ไรประโยชน์การดื่มสุรามีไรมีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ไปเป็นเทวดาไม่ได้คนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องเป็นคนมีใจดีมมอารมดีมีจิตชอบสงเคราะห์มีความรักคนรลัติ์เหมือนกับรักตัวของเราเองมีการสงสารเกื้อกกลืในเขามีความสุข ใช้วาจาอ่อนหวานชื่นบานใช้วาจาที่เป็นประโยชน์การกระทำทุกอย่างก็หวังประโยชน์ในส่วนรวมไม่ได้เห็นแกตัวไม่โคตไม่โกงใครไม่โมเมาในชีวิตของตนไม่ถือว่าตนเป็นคนนหลายกว่าคนอื่นแี่ก็ไม่ดื่มสุรามีไรยันนี้เป็นตน้น ลวองความว่าคนที่จะไปเป็นเทวดาได้ก็หนึ่งทานการให้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีอารมใจดีไม่คิดประทธร้ายไม่ทำลายประโยชน์ของคนอื่นทั้งกายวาจาและไม่คิดโดยใจอย่างนี้คนทุกคนตายแล้วเป็นเทวดาได้ ที่มีคนเข้านินทาหรือว่าลุงปู่ว่าเป็นลทัทธิวิมานนั่นแหะความจริงลุงปู่มีลทัทธิอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้นินทาเพราะว่าลุงปู่อยากให้ ล, ลูกหลานทั้งหมดเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายเทวดานี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐ คือไม่คิดจะทุจร้ายไครมีเดชะการเกื้อกูลมีความรักสิ่งกันในกันมีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดามีความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้บุกเการะคุณกับเราแล้วเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีคือว่าท่านแนะนำอย่างไหนทำอย่างนั้น แต่ต้องระวังครูเลวๆก็มีคำว่าครูนี้ตรอหมายความมีความประพฤตีหนึ่งไม่สูบุรี 2. สองไม่ดื่มยาเสพติดเช่นสุรา ย, ยาเมาเฮโรอีนสามไม่มีใจร้ายมีแต่ความเมตตาปราณีสี่ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงใครห้าไม่ยื้อแย่งความรักของผู้คนอื่น หกผู้แต่ความจริงมีวาวิวาจาอ่อนหวานส่งเสริมความสามัคคีไม่ทำลายประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้นคนประเภทนี้เป็นครูจรึงควรเคารพถ้าครูที่มีความระพฤตเลวสามกว่านี้นั่นถือว่าคนที่เป็นครูเลว โยงถือเอาแต่วิชาความรู้ประพฤติโยงหยาประพฤติตามบุคคลผู้เป็นครูนั้นได้ของความเลวนี่หลวง ป, ปู่พูดตรงไปตรงมานะดังนั้นท่านในมีเลา่าท่านเป็นครูชั้นดีคนที่ปฏิบัติตามท่านจึงมีใจเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านก็มีวิมานเป็นที่อยู่คือบ้านของท่านมีความสุขคําว่าวิมานนี่หมายว่บ้านนั้นมีความสุข มีแต่ความยินแย้มแจ่มใสซึ่งกันแลกันหาการขัดเคืองซึ่งกันและกันไม่ได้บ้านนั้นบ้านนั้นก็เป็นบ้านวิมานคนนั้นก็เป็นเทวดาคําว่าเทวดาแปลผู้กระเสริฐคือประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบลวงปู่ยายจะให้ลูกหลานทุกคนเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังมีชีวิต โดยที่จิตของเราคิดแต่ในด้านของความดีวาจาก็พูดดีกายกระทาก็ทําดีอย่างนี้เรียกว่าเทวดาคนเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ตัวใจเป็นเทวดาเป็นว่าท่านที่บอกว่าอัตารย์หงปู่เป็นคนเป็นนักลัที่บีมานแต่แท่งก็บอกว่า เห็นเขาบอกว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบดีนะเขาเขียนว่าเป็นหมีนะเขาไม่เขียนว่าเป็นหมานะบุญโตเสียแล้วแลเรื่องนี้อย่าไปตำหนิที่เทียงเพราละลูกหลานที่รักเป็นธรรมดาของชาวโลกที่พระพุธทธเจ้ า, าทรงตรัสนัตถิโลกเก อ, อนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก ถ้าเขานินทาว่าร้ายเราแต่ถ้าเราไปโกรธเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราเลวกว่าคนผู้นั้นดัง น, นั้นเมื่อเขาเขาว่าอะไรกับเราก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงจงอย่าโ ก, กรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราจะเลวกว่าเขาแต่สําหรับเขาจะเลวหรือไม่เลวเป็นเรื่องของเขาแต่เราอยา่าเลวเกินกว่าเขาก็แล้วกัน วันนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของพระเจ้าเนมิราชต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าเนมิราชบำเพ็ญทานอยู่อย่างนั้นมาวันหนึ่งพระองค์ทรงดาริว่าทานกับพรหมจรรันทร์คำว่าพรหมจันท ร, ร์นี้แปลว่ามีความระพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ไม่ร่วมรักกันในสถ า, านะสามีภรรยาท่านสงสัยว่าการสองอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเมื่อทรงดริแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดความสงสัยเมื่อการให้ทานกับทรงพระมจรยิย์คือรักษาโบโสษนี้อะไรมันดีกว่ากันแน่ แต่วระองค์ก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็จึงเล็กหนักใจอยู่ตลอดเวลาน่าคิดติดตรองไม่ตกลงในขณะเดียวกันนั่นเองท้าสกฤตเทวาราชคือพระอินทร์เทวดาน่ทรู้ใจคนนั้นโลกหลานที่รักเพียงแต่เราคิด เขาก็รู้แล้วว่าเราคิดดีแล้วคิดชั่วถ้าเราไปทําดีทําชั่วที่ไหนเทว ด, ดาก็รู้เพราะว่ามีสภาพเป็นทิพย์นี่เทว ด, ดายอย่างแท้นะถ้าเทว ด, ดายอย่างพวกเราหมายความว่ามีจิต ด, ดีคิดดีทําดีเนี่ยพูดดีคนอื่นเขาคิดเรายังไม่รู้เรารู้แต่เรื่องของเราเป็นอันวัาฏสกฤติวราชมาทรงทราบถึงข้อวิตก ของพระเจ้าในมีราชปรองกษัตริย์ที่นั้นยังได้ทรงนำรีที่จะมาแก้ข้อข้องใจของพระเจ้าในมีราชในหายมิตกพระองค์จึงได้สเสด็จจากดาวดึงมามาทับอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีสว่างสวัยพลุพุ่งขงึ้นไปสู่พราะว่าที่บรรทมของพระเจ้าในมีราชคำว่าบรรทมหมายถึงนอน เวลานั้นพระเจ้าเนมีลาท่นนอนอยู่ทัานก็ น, นึกนึกแล้วพระอินทร์ท่าก็มามาลอยในอากาศแล้วเปล่งแสงให้เราไปกระทบตาแสงสว่างคลุมประสาทข้าพระเจ้าเนมีลาแล้วเข้าไปในห้องนอนด้วยพระเจ้าเนมีลาทรงทอดเสน่ห์คำว่าทอดพระเน่หหมายมองดูและเห็นเห็นรัศมีมองดูเห็นรัศมีพวยพุ่งเข้ามาอย่างนั้น ก็ทรงทราบว่านี่จะต้องเป็นรัศมีของพระเท้าสกฤตเทวราชคือพระอินท์แน่จึงมีพระดํารัสว่าข้าแต่ข้าวสกฤตเทวราชทรงทร ง, สงแสดงรัศมีให้ช่วงโชดมากมาณที่นี้เพื่อประสองค์อันใดพระเจ้าค้าท้าสกฤตคือพระอินท์ได้กล่าวว่ามอมฉันมาที่นี่ ก็เพื่อจะแก้ความข้อข้องสงสัยในปัญหาต่างๆซึ่งพระองค์ยังสงสัยอยู่แต่หากว่าพระองค์มีพระราชประสงค์จะถามอะไรกับหม่อมฉันก็ขอให้ถามมาได้กหม่อมฉันพร้อมจะตอบลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเวลานี้พระเจ้าในมีราชกำหมายจะถามพระเจ้าในมีราชทรงพอพระทย ยังไม่พู้แก้ข้อสงสัยในเรื่องที่กำลังดมบิ๋อยู่ยังได้ทรงตัดถามว่าข้าแต่เท้าสักกเทวราชข้าพระบาทมีความสงสัยว่าระหว่างทานกับภมจรรันนี้อย่างไหนจะมีนิสงสมากกว่ากันพระเจ้าข้าลูกหลานอย่าลืมนะคำว่าการประพฤติคมจรรัน ประพฤติอย่างพรหมพรหมนี่ท่านอยู่องค์เดียวถ้าไม่มีพัญญาและคําว่าพรหมก็หมายความไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างที่พระบวชเขาเรียกว่าพรหมจันทร์ก็เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่พระนี่ไม่แน่นักรอกบางทีกายของท่านเป็นพรหมจันทร์แต่ใจไม่ใช่พรหมจันทร์ก็มีเห็นผู้หญิงะสาวสาวมายักคิ้วเหลี่วตาอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจันทร์ มีความโลภในลาบสการะอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรร ย, ย, ย, ยร์หมายความเป็นพรหมจรรย์แต่ตัวแต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์พรหมจรรย์ น, นี้เขามีอุเบกขาเฉยๆพอใจแต่สร้างความดีพอใจในการสงงคระไม่มัวเมาในลาบยุชนเสญสุข นี่พระมีพระทีะ่บทนี้มีภาพคือมีกายเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่แน่นักบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์จรงิงๆบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์ปลอมมาคุยกันต่อไปท้าวสกฤตเทวราชจึงตรัสว่าข้าแต่สมมติเทพคำว่าสมมติเทพก็หมายความว่าพระเจ้าในมีราชนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนแต่น้ําใจของท่านเป็นเทวดา ยิงเรียกว่าสมุติเทพคือเป็นเทวดาลโดยสมมติตามที่ทั้งปู่กล่าวมาแล้วลูกหลานจงรับทราบไลยนะเพ่งกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสมุติเทพบุคคลที่เกิดมาในตระกูลของกษัตริย์ก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เกิดเป็นเท พ, พเจ้าคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลาง บุคคลที่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติภพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคำว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำก็หมายความว่ามีการรักษาโบสตศีลวันพระหนึ่งบ้างวันพระละครบ้างบางทีก็วันพระละสามวันบางทีก็วันช่วงหนึ่งเจ็ดวันคือก่อนวันพระสามวันหลังวันพระอีกสามวันแล้วก็วันพระอีกหนึ่งวันรวมไปเจ็ดวัน อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาภรมจันทรย์อย่างตำ่ำสำหรับภรมจันทรย์อย่างกลางก็หมายถึงว่าทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพรมจันทรย์อย่างกลางเรื่องฌานสมาบัติ ล, ลูกหลานจะพิ่งรับฟังเลยนะเพราะว่ามันเรื่องมันยาวเอาแค่อย่างที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าจเจริญสมาถาวิปัสสนา ระงับความชั่วของจิตให้จิตตั้งอยู่ในความดีแต่จิตยังไม่ปาราบผนิปการเพ่งกล่าวต่อไปว่าสำหรับท่านที่บอถึงความบริสุทธิ์ก็เข้าไปพฤติพรมจันทร์อย่างสูงสุดคันว่าพรมจันทร์อย่างสูงสุดก็หมายความจิตตากิเลสเป็นผ้าละหันอย่างนี้เรียกว่าพรมจันทร์อย่างสูงสุดพระอินเพ่งกล่าวต่อไปว่าการเป็นพรมไม่ใช่เป็นของง่ายๆ เพียงแต่จะนึกวิงวอนอ้อนวอนขอให้ขอให้เป็นผู้ที่จะได้เป็นพรหมทำเพียงเท่านั้นไม่มีความหมายการที่จะเป็นพรหมนั้นต้องเป็นคนไม่มีย่าเรือนหมายความไม่มีผัวไม่มีเมียถ้ามีผัวมีเมียก็เลิกเป็นผัวเป็นเมียกันซะชั่วคราวอยู่ได้กันได้ไม่ต้องไม่ต้องจากกันแต่ว่าไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยา ไม่ประครับประคองไม่แต่ต้องการซึ่งกันและกัน <c oughs> อย่างนี้ที่ว่าอยู่อย่างพรมถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ยุ่งกันในฐานะสามีภรรยาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเย้าเรือนต้องบำเพ็ญตัมบะสม่ำเสมอคือทรงฌานเป็นปกติอย่างนี้จริงจะเป็นพรมได้แล้วก็เวลาจะตายก็ต้องเข้าฌานตาย องอัมมรินเทวราชได้พันนาต่อไปว่าการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีคุณมากเพราะว่ามีคุณมากหมายว่าการบริจาคทานนั้นเรื่องเปรียบเทียบให้ฟัง <S <S ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีประโยชน์และมีคุณมากกว่าการบริจาคทานมากซึ่งจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคือคุณค่าสูงกันมาก กระสับทั้งหลายที่แล้วแล้วมาได้บริจาทานเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะร่วมพ้นจากการท่องเที่ยวอยู่ในกาเมกิเลสได้เลยหมายความว่าการให้ทานเขาก็ศรัทธาให้ทานมากแต่เพียงแค่ทานอย่างเดียวตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวาจรสวรรค์มีนางฟ้ามากมาย เรียกว่าอยู่ในการมกิเลสเยังยุ่งอยู่ในกิเลสแกลา่าไปว่าบต่อไปว่าบุคคลไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวหมดสนุกหมดความเรื่อนรมถ้ามีเพื่อนก็มีความสนุกมีความเรื่อนรมแต่ก็ไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกบุคคลเช่นนั้นถึงจะมีพระกระซั์มหาศาลเสมอในองค์อมริน หมายความมันจะมีสมบัติมากเสมือนเหมือนกับพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้รับความสุขอาศัยคนอื่นที่หมายความว่าคนที่ยังยุ่งอยู่ในการมีกิเลสยังมีผัวมีเมียกันอยู่จะมีความสุขได้เพราะอาศัยผัวหรือเพราะอาศัยเมียนี่ท่านบอกว่าเมือนคนจนยังต้องอาศัยคนอื่นมีความสุข ท่านกล่าวต่อไปว่านาท้าวเสกกาได้อ้างถึงบรรดาดาบทหลายท่านที่ไปฝึทธประมจันท์ท่านสูงแล้วก็ล่วงพ้นจากกามกิเลตเมืนเกิดในพมโลกได้รับความสงบอันเป็นสุขจริงๆและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องที่ปรากฏแก่พระองค์เองมาให้ทราบคําว่าปรากฏแก่พระองค์เองมานี่หมายความเป็นเรื่องของพระองค์เอง ท่านลห้ฟังจะจบแล้วไม่จบก็ไม่ทราบนะเรื่องมียว่าข้างก่อนยังมีแม่น้ำชีว่าสีทาอยู่ในระหว่างภูเขาทองสองลกูกเป็นแม่น้ำลึกและใสอะไรอะไรก็ตกลงไปไม่ลอยให้ใสมากไม่มีอะไรจะลอยได้มันใสจัดเป็นน้ำละเอียด มื่ตกลงไปแล้จะจมทันทีแม้แต่แววหางนกยงที่เป็นของเบาที่สุดก็ยังจมภูเขาทองสองลูกนั้นมีสีเหลืองเหมือนกับไฟไหม้อ้อยสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาบนพื้นฝั่งแม่น้ำมีต้นกฤษณนาส่งกลิ่นหอมอบอุ่น มีทั้งกิษณนาชาติที่เป็นดอกและเป็นผลนักพทษจำนวนหมืน่นอาศัยอยู่นาทีนั้นแล้วก็ได้สำเร็จอบิญญาสมามบัติท่านเหล่านั้นไม่ติดในรถมีความสุขอยู่กับชาญสมามบัติฟังเรื่องท่านต่อไปหลวงปู่ไม่ขัขคอแล้วตอนนี้มีนักพทรูปหนึ่งเหาะมายังเมืองพาราณสี ออกเที่ยวเินาบาทไปถึงประตูบ้านปรหิตรปรหิตมีความเลื่อมใสในความสงบละความเมียบร้อยของท่านนีบนท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็จัดอาหารถวายปรหิตถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนนักทรตท่านนั้นตอบว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีถาระหว่างภูเขาทองในป่าหิมพานโน้น คำว่าภูเขาทองนี่เป็นภูเขาทองคำจริงๆนะไม่ใช่ภูเขาทองอย่าวาสเกตท่านบริโริตจึิงถามว่าพราะคุณเจ้าอยู่รูปเดียวหรือท่านนักพรตทนั้นก็ตอบว่าอาตมาอยู่ดี่กันมีจำนวนหมืน่นและท่าน ห, นหลายเหล่านั้นก็ได้สำเร็จอนพิญญาสมาบัติทางนั้นคำว่าพิญญาในลูกหลานที่รักก็มีฤทธ แสดงนิดได้เหาะเหินดนากาศได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นตน้นสําหรับโรฮิตได้ฟังก็รู้สึกเรื่อมใสในคุณสมบัติของนักรตเหล่านั้นฮิตอยากจะเป็นนักพรตบ้างจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะพาเข้าไปเจ้าในทีนั้นแล้วบทให้ได้หรือไม่ท่านนักรตที่นี้ตอบว่าท่านราชบุรุษ อาตมานี่ไม่สามารถจะโบทให้ท่านได้ท่านบรหิตธิจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทูลลาพระมหากษัตริย์ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาที่นี่จะสาเร็จไหมเมืมม่อท่านนักรถได้รับคำได้ฟังคำนั้นแล้ว เน่ยเป็นน้ำว่าท่านนักพรตก็ได้รับคําหมายความว่าถ้าหากว่าลาจาราชการก็บรรทไห้ได้ถ้าไม่ลาจากราชการนี่บวชไม่ได้ท่านพโรหิตจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชาในเช้าวันนั้นแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพื่อบวชพระ เ, เจ้าค่ะ พระราชาจมงตัดถามว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์จะบวชสล่ไหมท่านบริหิจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในการมาคุณเห็นอานิสงส์ในการบวชเพื่อเกิดขึ้นจึงอยากจะบวชพระราชาจึงในสดตัดทงตัดว่าดีแล้วท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็ลาออกได้ สำหรับครอบครัวไม่เป็นไรฉันจะรับภาระทุกอย่างเชื่อเกื้อกูลให้มีความสุขขอท่านอาจารย์ยังบวชเถิดแต่ว่าเมื่อบวชแล้วแล้วก็ามาปลดฉันบังนะย่าหนีกันไปเลยท่านโบโ๊วยก็ดีใจที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชจึงได้ถวายบังคมลากลับบ้านเรียกบุตภัญญามาพร้อมหน้ากันแล้ว ทีงนี้ส่งสอนให้ประพฤติในความดีความชอบเมื่อแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้เตรียมบริขารเพื่อบริชาไว้คอยท่านนักพรตสําหรับท่านนักพรตเมื่อได้ไปสู่บ้านของพรโรหิตท่านพระฤๅษีก็จัดอาหารถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วทีงได้เรียนให้ทราบว่าบัดนี้ ได้รับพระบรมราชานุ ญ, ญาตให้บวชได้แล้วครับเพราะข้าก็าาผมควรจะปฏิบัติประการใดจึงจะเป็นนักพรตได้ทั้งนักพรตจึงได้บอกว่ามาเถิดไปกาตมาแล้วนักพรก็พาท่านบริโภตไปสํานักของท่านจัด ก, การบวชให้เมื่อรบริโภตบวชแล้วไม่นานก็ได้สเาเนจฌานอภิญญาสมาบัติ นักพรตุโรหิตหมายความท่านบรหิตที่บวชนั้นเมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วได้ปัญญาแล้วก็นึกถึงว่านึกถึงวันที่ตนเขาไปกราบทูลลาพระราชาเพื่อจะบวชราชาทรงในญาติต้มีพระดารัตว่าเมื่อบวชแล้วให้ไปเฝ้าพระองค์บ้างขึ้นไปโปรดบ้างนักพรตบรหิตองค์นั้นจึงตกลงที่จะไปเฝ้าพระราชา ยังได้เข้าเวลานักพรตอื่นๆแล้วก็เหาะไปเมืองพาราณสีเอาเที่ยบูรณาบัติจนถึงประตูพระราชวังร่กลูกหลานที่รักวันนี้ไปเป็นแค่ถึงประตูก็แล้วกันอย่าเพิ่งเข้าเพราะมันหมดเวลาวันหน้ารับฟังกันใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีได้ลูกหลานที่รักนาบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี